ขันนิมิตด้วยสละออกจากรูปนามนิมิตด้วยโดยที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นไหนนะได้แก่เท่ากับเอาแบบตเต็มๆเลยก็คือฌานสมุทเชเท่ากับมัจปฏิสัธิ์ผลนิสนาณะาก็กัด นิมรรคจิตเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์มรรคจิตเกิดขณะจิตเดียวดับไปผลจิตก็เกิดขึ้นก่อมีนิพพานเป็นอารมณ์อ่ะนยถามมันก็หยุดแถวนั้นเนี่ยแต่ว่าคือของนั้นมันใหญ่โตมากมันมีค่ามากอ่ะก็เลยท่านก็เลยแยกมาแสดงถึงความเด่นชัดอย่างมรรคจิตเนี่ยดวงเดียวก็จริงแต่มันมีอนุภาพมากมายมหาศาลที่ในการต่หารกิเลสในการในการรู้แจ้งอริยสัจ เพราะฉะนั้นโซดาปฏิมัติเขาจึงเรียกว่าอนัญยตัญยสมีตินสีเป็นการรู้อริยสัจที่ไม่เคยรู้มาก่นกอนเลยมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นไอ้มัตที่เหลือก็เรียกว่าอันอันยินสีอันยินสี น, น, สนั่นแหละเบ็นใหญ่ในการรู้อริยสัจที่เคยรู้มาแล้วหรือว่าสุดท้ายเขาเรียกว่า อัญญาตาวินซีนนนเออชิองอ่านแล้ใครจะถือด้วยนะญญาานจนถอนอัญญาตาวินซีเนี่ยก็คือเป็นอรหัตผลจิตนั่นแหละแต่ว่าพู้ทถ้าใช้คำว่าอินรีเนี่ยองทำได้แก่ปัญญาที่ในมัคจิตและผลจิตนะเฉพาะอินรีสามตัวสุดท้ายเนี่ยอินรีตัวแรกหมายถึงปัญญาที่ในมัคจิต อินทรีย์ที่เหลือไม้ได้แก่ปัญญาที่ในมัคจิตและผลกิตอินทรีย์ข้อสุดท้ายได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ในผลกิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นปุตุชนก็จะไม่มีวินัยเหล่านี้ไม่มีทั้งสังวรวินัยห้าอย่างและไม่มีปหานวินัยห้าอย่างอะเดี๋ยวเลยไปหาสังวรวินัยคืนอีกนิดนึงว่าสังวรวินัยได้แก่ศีละสังวรก็คือพวกปารติโมก อันผู้ที่จะสังวรเหล่านี้ถ้าหากว่าต้องความต้องการความบริสุทธิ์เมื่อล่วงละเมิดแล้วต้องแสดงคืนเช่นถ้าพวกเราสินขาดทําไงสมาทานใหม่อ่าอย่างนี้เรียกว่าอินทรีสังวรถ้าอยากบริสุทธิ์ก็ต้องเอาใหม่นะอย่างเงี้ยต่อไปสติสังวรโอ้ไปปล่อยจิตให้เป็นบาปตั้งตั้งหนึ่งนาทีเลยอย่างเงี้ยนั้นพอรู้ตัวบั๊บอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจักไม่คิดอย่างนี้อีกต่อไปใช่ไหม แตว่าคิดด่าใครอ่ะพอคิดปุ๊บรู้เออนี่จิตเป็นบาปเลยนะอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าจกไม่คิดอย่างนี้อีกต่อไปลักษณะนี้เรียกว่าอินทรีสังวรถ้าอยากให้อินทรีบริสุทธิ์ต้องมันอธิษฐานเรื่อยๆนะถ้าเผลอไปแล้วก็แล้วกันไปอธิษฐานเอาใหม่ตั้งใจใหม่ไปเรื่อยๆเงี้ยนะเดี๋ยวก็ได้เองนะ่ะเดี๋ยวอินทรีสังวรจะบริบูรณ์หรือสติสังวรก็จะแน่นขึ้น ทีนี้ต่อไปญาณะสังวรก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาในทั่วไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องปัจจเจกในปัจจัยทั้งสี่ประการแต่ถ้าเอาแบบสูงขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกก็ได้แก่พวกถ้าสูงขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกก็พวกตัดกิเลสเลยตัดกิเลสตามยาณะสังวรเ น, นี่ยเอาแบบสูงๆหน่อยก็เอาแต่ทางข้ามาที่บายนี้ต่อไปนะขันติสังวรก็คือไม่โกรธแล้วก็วิริยะสังวร จะบริสุทธิ์ได้ก็เกี่ยวกับเรื่องอาชีพะนะจะต้องขยันหน่อยเรียกว่ารัตบริสุทธิ์ได้ด้วยการสแสวงหาแต่คนที่จะมีสีหน้สังวรได้ต้องมีหนึ่งศรัทธาคนที่จะรักษาอินทรีสังวรได้ต้องมี 1. สติคนที่มียานสังวรได้ต้องมีปัญญาคนที่จะมีขันติสังวรได้ต้องมี อโทสะคนที่จะมีวิญยาสังวรได้หรืออาชีวะก็ต้องมีวิรยิยะองค์ธรรมของเขาะจะสําเร็จได้ด้วยธรรมะห้าข้อนีอ้ผู้ที่มีธรรมะเหล่านี้นะจะไม่เห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเอาไม่เห็นรูปมาเป็นอัตตาแล้วเห็นเป็นอะไรอ่ะอันนะผู้ที่มีวินัยเหล่านี้นะจะไม่เห็นรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอัตตาไม่เห็นโดยความเป็นตนถามว่าท่านเห็นเป็นอะไรนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราก็คือเห็นเป็นขันห้านั่นแหละขันห้ามีปัจจัยเกิดไหมมีปัจจัยจึงเกิดมีไม่มีปัจจัยก็ก็เสื่อมก็คือเห็นขันห้าเป็นขันห้าเคยเห็นความคิดเป็นความคิดไหมเห็นความคิดเป็นคิดเมื่อไหร่ก็ดีแล้วเนาะเก่งมากเลย ส่วนใหญ่มันเห็นความคิดเป็นเราสิเราอันใดคิดก่อนนั่นแหละเพราะมีคิดนั่นแหละจึงมีเราเออนักนักปราชญ์ทางตะวันตกบางท่านนะก็บอกเพราะมีคิดนั่นแหละจึงมีเราถ้าไม่มีคิดมันก็ไม่มีเราอ่ะเขาก็าไอความคิดกับเรานี่ไม่ต่างกันเลยที่จริงแล้วความคิดนี้เป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยเนาะปัจจัยของจิตมีกี่อยา่างจิตมีกี่ปัจจัย อ่าไม่ได้ปัจชาชาต่ปัจดใจนะจิตนี้ไม่เป็นปัจชาชาแต่ปัจจัยไม่ได้ก็คือเกือบยี่สิบสี่ปัดจนั่นแหละจิตนี้มีปัจจัยเกือบยี่สิบสี่ปัดใจเลยอะนะไม่มีหนึ่งปัจช้าชาแต่ปัดใจปัดช้าชาแต่ชาติเนี่ยไม่มีเลยอะไรเนะ ตามที่ตินั น, นว่าไงวัตถุปุเรชาติปัจจัยเอา้าจิตก็วัตถุปุเรชาติก็เป็นปัใจจัยให้จิตนั่นแหละโอ้ใช่ไหม อ, อ, อาหารเนี่ยใช่อาหารนี่ไม่เป็นก็นําอาหารนะ่ะอก็มันก็อยู่ในอาหารปัจจัยนั่นแหละนั่นแสดงว่าโอ้โหปัจจัยของจิตมากมากจริงๆแม้แต่รูปอาหาระนั้นก็ยังเป็นปกตูปะให้แก่ จิตอีกนั่นแหละโอ้ปัจจัยมันเยอะเรื่องมันยาวประการสำเนวนตัว ก, ก, การบอกเรื่องมันยาวเหมือนกันอันนะที่จริงอ่ะทั้งหมดเนี่ยที่พูดเพื่อให้รู้เพื่อแสดงเรื่องอะไรที่จริงต้องการจะแสดงเรื่องอินทรีย์สังวรมากกว่าว่าอย่างไรจริงจะชื่อว่าอินทรีย์สังวรผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะเหล่านี้แล้ว ก็บอกว่าเอาไม่สังวรก่อนนี่อนะถ้าไม่สังวรนี่เป็นยังไงไหนอ๋ออสังวรนะได้เอางี้ก่อนต้องนิมิตเอานิมิตสามมาก่อนเห็นว่าไม่สังวรนี่เป็นอย่างไรนะ นิมิตสามหนึ 3, ่งโสภานิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายหรืออารมณ์นั่นเองเห็นอารมณ์โดยความเป็นของงาม อ, าอย่างนี้เนี่ยนิมิตอันนั้นเป็นสุภานิมิตถามว่าถ้าเห็นม่า ง, งามเนี่ยจิตชนิดไหนที่ไปรู้ว่า ง, งามโลภโมรลจิตแปดดวงที่ไปเห็นว่า ง, งามานะจิตที่รู้อารมณ์ว่า ง, งามเป็น โลภามูลจิตแปดท่นสุภานิมิตนิมิตในฐานะเป็นอารามณะปัจจัยทีนี้ต่อไปปฏติฆานิมิตปฏติฆานี่ก็คือนิมิตที่กระทบกระทั่งอนะปัติฆาแปลว่ากระทบใช่ไหมที่เป็นที่ตั้งแห่งการกระทบกระทั่งอนะ่ะได้แก่อะไรจิตชนิดนั้นที่ไปรู้อารมณ์ที่กระทบกระทั่งก็ต้องโทสะทีเนาะ คนกระทบกระทั่งใจกันเนี่ยมันเขาบอกว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับกระทบกระทั่งอ่ะนะเขามีพระประเจกอ่ามีพระราชาอยู่องค์หนึ่งพระราชาองค์นี้เนี่ยก็อยู่อยู่ในห้องห้องหนึ่งห้องนี้ประกอบไปด้วยหนึ่งมเหสีสองนางสนมอ่าสนมก็คือคนใช้คนหนึ่งอ่ะนะสามคนอยู่ในนั้นนี้พระราชาสมัยก่อนเนี่ยทาสีก็มาบทจันให้จันก็คือเป็นเครื่องหอมของหอมสมัยก่อนนะ เขาจะจะใชแ้แก่นจันเนี่ยมาเป็นเครื่องรูปลาแบบเครื่องแป้งทุกวันเนี่ยถ้าสีก็บทจันไปเรื่อยเอทีนี้ในแหวนในกําไลาแขนเนี่ยนะข้างหนึ่งมีกําไลาอันเดียวข้างที่สองมีกําไลาสองข้างขณะที่บดไปมันก็ดังคลิก๊กคลิก๊กคิ๊กคลิ๊กบทไปเรื่อยก็ดังคล๊กค๊กคลิ๊พระราชานี่ก็นอนดูอยู่นั่นแหละ Not, นอนดูอยู่นั่นนะนางก็บดไปเรื่อยๆเกร็คเกร๊คเกร็กร็กรอย่างเงี้ยทีนี้มาเหสีเนี่ยชักอิจฉาเอ๊ะพระราชานี่คิดไม่ดีต่อนางสนมหรือเปล่าวเนี่ยได้ไหรู้สึกถึงหวงขึ้นมาทันทีเลยบอกว่าเธอเธอหนีไปเดี๋ยวฉันบทเองไป ง, งั้นมาเหสีเนี่ยกําไลที่แขนเนี่ยเตยไปหมดเลยนะไปบทมันจะดังยังไงดีกังติ่งนึ่งนึงนึงนึงบทยนไงพระราชาเนี่ยสังเวชใจอย่นะคิดตั้งแต่ทีแรกแล้ว นี่นะถ้าคนท่าผู้เดียวนะมันไม่กระทบกระทั่งแบบนี้ถ้าสองคนมันก็กระทบกระทั่งแบบนี้พอไม่เห็นมาเหสีเนี่ยมันดังเก๊กเ ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก๊กก๊กเก๊บืบ่อหน่ายขึ้นมาทันทียนะท่านก็เจริญนิพพานเป็นผ้ารหัสแบบนอนตะแคงดูนั่นแหละเป็นผาพระเจ้ากับพระเจ้าอ่ะทีนี้บทตายบทมาไม่ดูแล้วก็ก็ถามว่าพระองค์ก็คุยกันไปบอกว่าฉันไม่ใช่เป็นพระราชาของเธอแล้วนะเป็นกบอกเป็นอะไรอ่ะฉันเป็นผ้าประเจกเห้างัน โอ้ยธรรมด า, าพระประเจกเขาไม่เป็นอย่างนี้หรอกเป็นยังไงก็บอกว่ามีผมยาวประมาณสององคูรีมีบาทมีสังคาติมีอะไรเสร็จแล้วท่านก็อธิษฐานก็ท่านก็เป็นพระประเจกแล้วก็เหาะไปอยู่เขาคันธมาศอย่างนั้น <c oughs> คนที่มีบุญเนอะดูเขาบทแป้งยังได้ดีเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นปฏิฆานิมิตเนี่ยจึงเป็นอารมณ์ของการกระทบกระทั่งนั้นจิตที่ไปรับรู้เกี่ยวกับเรื่องการกระทบกระทั่งส่วนใหญ่จึงเป็นโทสะโทสะนั่นแหละ ทีนี้ต่อไปน ะ, ะถ้าสุภาพนิมิตถ้าเราดูเสื้อนะหูหาที่ตำหนิไม่ได้เลยเนี่ยเตนโลภดูไปดูมาติดเจอรูอยู่รูอะไรเกิดขึ้นโทสา โ, โหหนูเจ้ากรรมมึงมากัดไปขาดแห่งไปสองนิ้วเองยิ้มมองอไหมจะใส่อยู่ด้วยแล้วจะต่ยออกงานอยู่ด้วยโอ้าทย่างงี้ยนะโทสะแล้วหเห็นแล้วก็เฉยตัวที่ไม่สนใจเลยนั่นเป็น รู้เหมือนกันแต่ไม่สนใจเลยเรียกว่าอุเบขาเฉยๆอ่ะอุเบขานิมิตเป็นอารมณ์ของโมหะโมหะเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้อารมณ์อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ตามอารมณ์กับจิตเหมือนกันไหมจิตก็คือสิ่งที่รู้อารมณ์จิตรู้จิตได้ไหมจิตก็เป็นอารมณ์ได้ใช่ไหมได้ถ้าเห็นโดยความสุภะ สุภาอีกในหนึ่งบอกสิ่งนั้นน่ายินดีเห็นโดยความน่ายินดีก็เป็นหลอพระเห็นแบบน่ายินร้ายเป็นโทสะเห็นแล้วไม่สนใจเลยเป็นโมหะเพราะไม่รู้โดยความเป็นสัจจะของสิ่งนั้นอ่นนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะไม่ว่าตาเห็นหูได้ยินอย่างนี้ชื่อว่าไม่สังวรเลยแต่ที่นี้ผู้ที่อ บ, บรมเอายกตัวอย่างอะไรสังวรดิเอา ขันติสังวรก็แล้วกันขันติสังวรก็คือพวกของเกี่ยวกับเรื่องของเมตตาอย่างนี้นะอบรมเจริญเมตตาเลยเขียนตรงไหนดีนะเต็มไปหมดเลยอย่างนี้ก็กันเมตตาเมตานี่เป็นยังไงก็คือปรารถนาความสุขแก่แก่สัตว์ทั้งหลายอยากให้สัตว์ทั้งหลายนี้ มีความสุขอยากให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากความทุกข์อยากให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีเวรไม่มีภยัยมีแต่ความปลอดภัยอ่ะนะคือค อ, อยากให้สงบร่มเย็นหรืออีกในหนึ่งนะก็บอกว่าเราเคยเห็นลูกเราไหมเมื่อเรามีลูกคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหกำลังยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักเลยแล้วเราคิดถึงคนในโลกเนี่ยไม่ต่างจากเด็กคนนั้นเลยอะอย่างงี้เป็นเรื่องของเมตตาเราอ บ, บรมเจริญความคิดอันนี้ให้มากๆ ทีนี้คนที่มีเมตตาเนี่ยมันจะเมตตาตลอดโดยที่ไม่เห็นได้ไหมมีเมตตาโดยที่ไม่ได้ยินได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมีทวารในการรับรู้อารมณ์มีทวารที่จะต้องไปเห็นไปได้ยินไปรู้กลิ่นคิดนึกเรื่องบางอย่างอยู่ด้วยแต่ทีนี้ทํายังไงไอ้อุปาณิสัยอันนี้ยังอยู่อะ่ะเมตานี้ยังอยู่ไปด้วยอะเมตามีอะไรเป็นอารมณ์นะเมื่อกี้มีสัตว์เป็นอารมณ์ใช่ไหม เมตตามีสัตว์เป็นอารมณ์เมื่อเมตตามีสัตว์เป็นอารมณ์เนี่ยถ้าเห็นนี่มีอะไรเป็นอารมณ์มีสีเป็นอารมณ์ถ้าเห็นสีนั้นโดยความเป็นของงามอยู่ถามว่าชาวนะต่อๆไปจะเป็นเมตตาได้ไหมมันนะเมตตาไม่เกิดแล้วโลภะแทนนั่นแหละถ้าอย่างนี้ไม่เชื่อว่ามีสังวรไหมในขนาดนี้หมดสังวรแล้วเพราะรักษาไอ้เมตตาไม่ได้อะ รักษาเมตตาไว้ไม่ได้เพะขนาดนั้นเชื่อว่าไม่สังวรแล้วหรือกําลังแหมจะฝึกเจริญเมตตาสันหน่อยพวกมายุ่ยอยู่เรื่อยแลยนะมีโยมคนหนึ่งเขาเขาสมาทานศีลเ้าก็รักอยากรักษาศีลห้าแล้วเกิ น, นงูเจ้ากรรมมันก็ขึ้นบ้านเรื่อยเรื่อยรืยรืยเืยนะ เ, เอาเอาอีกคนหนึ่งเขาก็เขาก็รักสมาทานศีลห้าอย่างดีเลยนะ ทีนี้เขาก็ออกจาก บ, บ้านต่อเจ้ากรรมเมื่อมาต่อยแม่พอทนได้ครั้งแรกมันไม่เป็นไรครั้งที่สองแม่เด็กน่ะเอาใบก้อนมาฉี่เลยผิดตายเปลืงเนี่เยเรียกว่าเจอปฏิฆานิมิตไอ้ศีลที่รักษาอุษาธรารมาทานไวตั้งหลายวันเนี่ยหมดหายเปลืองหมดเลยอ่ะนั่นแหละหรือเมตตาเนี่ยอุษ า, าอุดมเจริญเมตตาพักเดียวโอโห ย, ยั่วใหญ่เลยก็บอกมีฝรั่งอยู่ท่านหนึ่งมาบวชเมืองไทย ก็อยากจะเจริญเมตตามากนี่ก็เข้าไปในป่าใหญ่เลยทีนี้คนอื่นก็อยากคุยด้วยนะแม่เราสาลบมาเจริญเมตตาถึงในป่าพวกยังมา ก, กลัวอีกอย่างเงี้ <c oughs> เมตตาเจริญโทสะดิอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แล้ถ้าเห็นอารมณ์นั้นไม่น่าปรารถนาเมื่อไหร่ก็เป็นปฏิฆะเมตตาเนี่หายไปแล้วอย่างนั้นนี่ไม่เชื่อว่าอินทรีย์สังโงนเห็นด้วยยังมีเมตตาต่อไปด้วยหลังจากที่มโนทวารวิถียังมีเมตตาต่อไปเองเนี่ย คนนั้นแหละมีสังวรเพราะรักษาจิตไม่ให้เป็นบาปแม้ในช่วงแห่งปัญจทวารวิธีที่มาสลับการเห็นการได้ยินในเรื่องนี้ท่านผู้ที่เข้าใจเรื่องวิธีดีอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาเนาะหรืออีกในหนึ่งนะคนที่เจริญเมตตาเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยต้องการเห็นการได้ยินมันสลับกันขนาะที่เห็นมีสีเป็นอารมณ์ไม่ได้มีเมตตาคือหมายความว่า สภาพจิตในขณะนั้นไม่ได้มีสัตว์เป็นอารมณ์แต่มีสีเป็นอารมณ์หรือได้ยินเสียงมีเสียงเป็นอารมณ์ขณะนั้นไม่ได้มีสัตว์เป็นอารมณ์เพราะสัตว์เป็นบัญญัติบัญญัติรู้ได้ทางสุทธามโนทวารวิถีเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นได้ยินมาสลับกันเนี่ยยังต่อเมตตาไปอีกได้ไหมถ้ายังต่อเมตตาต่อไปอีกได้คนพวกนี้เรียกว่ามีเอ็ซสังวรนั่นแหละ ก็ที่จริงก็อยากพูดแค่นี้แหละจบแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเข้าใจ <dances> ไม่เข้าใจก็เรียกว่าเป็นนิมิตของโมหะเอส า, าสาธุเก่งาาาาาามากเลยเรากำลังขับรถเนี่ยนะมีคนมาบีบแตรข้างหลังลลอ่ถาถามว่านิสงังวรยังไงต้องเจริญพวกขันติสงังวรใช่ไหม อ่ะสังวรตัวนั้นต้องไปเลื่อนไปเป็นขันติสังวรแล้วทำยังไงเราจะไม่โกรธเขาอ่ะใช่ไหมทีนี้ไอสไ้สังวรเมตสัขันติมันเกิดไม่เกิดอ่ะมันเกิดโทสะมาแทนอ่ะอี่มันจะรีบไปไหนนักนะโทสะเกิดทํำยังไงพระองค์สอนให้เจริญวิริยะสังวรทํายังไงจึงจะไล่ไความคิดอันนั้นออกไปได้นะั่นคือให้เห็นโทษของบาปอกุศลนั่นแหละแล้วก็เพื่อที่จะอบรมเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถ้าจะเจริญเมตตาหรือเจริญการุณาใช่ไหม เขาอาจจะรีบก็ได้เขาอาจจะมีธุระก็ได้หรือในรถเขาอาจจะมีคนไม่สบายก็ได้ใช่ไหมล้วก็ให้เขาไปก่อนก็ได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะรักษาจิตต่อไปได้แต่วันนี้คุณบุญชูไม่มาไปธุระเขาเมื่อกี้เนี่ยเขาขับรถไปเขาก็บอกเออบอกเขามาเขาอาจจะมีคนในนั้นไม่สบายก็ได้ยากเขาอาจจะป่วยก็ได้อะไรก็ได้เพราะนั้นผมให้เขาไปก่อนเลยเขาว่าไงถ้าผมก็ไม่ได้รีบอะไรมากนักอ๋อให้เขาไปก่อนเลยอืมนี่ก็เป็นเมตตา เป็นไปนเรื่องของกุศลจิตที่สา ม, มารถตารบได้ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราเราเคยรีบร้อนใช่ไหมบางทีเราเคยรีบร้อนเหมือนกันคนอื่นเขารีบร้อนก็ก็คล้ายๆกันนั่นแหละนั้นของเราจะใช้อีกห้านาทีก็ไม่เป็นไรเพื่อที่จะให้เขาไปก่อนอแต่ถ้าหากว่าเรามีธุระใช่ไหมเราก็ต้องขอทางคนอื่นเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับที่คนอื่นเขาขอทางเราเจ้าศีลสังวรใช่ไหมถ้า อินทรี์สังวรศีลถ้ามีศีลทักษาศีลหา้าอยู่ไล้ใช่ไหมจะมีอินทร์สังวรนี่จะมีได้อย่างไาวันก่อนนี่มีมีขณะที่วันก่อนนะนั่งฟังธรรมอยู่เราจะมาเอาเรื่องของอมหานารทชาดกมาอ่านให้ฟังผมนารทะชาดกให้ฟังพอฟังจบโยมเขาเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยเพื่อนกําลังติดต่อชวนไปทางชายทะเลพอดีเลยเพื่อที่จะนัดไปสังสรรค์กันระว่ังเพื่อนเก่ามานานแล้วทีนี้ พอผมมาฟังท่านพูดผมก็เลยไม่ตายแล้วผมจะบอกเพื่อนว่าผมไม่ตายแล้วเพราะไปยังไงผมต้องกินเหล้าอยู่แล้วไปนี่ผมต้องไปกินเหล้าต้อเสียสีแน่นอนเพราะพวกนั้นเป็นป่าประมิตรแน่นอนเลยผมมาบอกท่านว่าอ่า ท, ที่ท่านพูดมาเนี่ยผมไม่ตายแล้วนะอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอินทรีย์สังวรเป็นอินทรีสังวรอินทรีสังวรก็คือว่ามีสตินั่นแหละที่จะไม่ก้าวล่วงต่อไปถ้าสังวรอันนี้ก็ สติกับสัมปชัญญะใกล้กันไหมใกล้กันเป็นประหวะประการะธรรมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเพราะฉะนั้นสัมปชัญญะคำหนึงถึงประโยชน์เติบสติก็เกิดขึ้นบอกว่าไม่ไปยละก็คือพอไปจะกรตัวเองก็ต้องเสียสินเป็นต้นเพื่อนมาชวนตัดสินใจไม่ไปที่จะไม่ไปงานนั้นน่ะเพราะนึกถึงศีลของตัวเองเดี๋ยวศินจะเสียหายอย่างนี้เรียกว่าเป็นพวกศีลสังวรกับอินทรีสังวร นั่นแหละปกติรักษาศีลอยู่แล้วใช่ไหมไม่อยากจะให้ผิดศีนต่อไปถ้าไปเนี่ยผิดศีนแน่นอนหรือถ้าเห็นเนี่ยเราไปเห็นสิ่งนี้ปั๊บศีนเราไม่เหลือแน่ถามว่าศีนเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลถ้าไปเห็นแล้วโกรธเนี่ยศีนอยู่ไหมกุศละศีนไม่เหลือแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าศีนขาดนะแต่กุศลศีนไม่อยู่ล้วถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่วยยังมีข้ออ้างเลยใช่ไหม ไปแล้วก็ไม่กินเหล้าแต่ไปมู้สาอยไม่กินแล้วป่วยไม่ค่อยสบายก็กไปรอเขาอีกกับมู้สาอีกนั่นแหละกับพอะกันนั่นแหละแต่กลัว ม, มู้สาก็เลยกินส่งเวกหนักกับเขาเพราะเราเล่าเข้าคอเลยนะปานาก็ไม่ยากอาทินาก็ไม่ยากกามเม ก, ก็ง่ายมู้สาวเลยปกติคนคุยกับคนเมาเนี่ยมีอะไรคุยกันกนักเดี๋ยวก็กล่เรื่องกลุก่่ลาวโกหกตลกตอแล้วมาคุยกันไปเรื่อยกว่าจะหมดหเวลาหมดล้าวขวดหนึ่งนั่นแะพูดยังจะเคยงั้น ต่อไปนะเรื่องของอรมณเรื่องของปัจจัยปัจจัยที่เราได้กล่าวไปอาทิตย์ที่แล้วก็คือเรื่องของเราเรียนปัจจัยโดยชาติของปัจจัยคือเรียกว่าเรียนปัจจัยโดยกลุ่มกลุ่มเป็นเรียนการเรียนแบบคร่าวๆซึ่งไม่ได้มุ่งเจาะลายละเอียดโดยองค์ทำทุกสภาวะเลยแต่เป็นการเรียนแบบถล่มคลุมไปก่อน ถ้ามีโอกาสเราก็ค่อยๆเรียนละเอียดไปเรื่อยอการเรียนเป็นกลุ่มก็คือประมวลปัจจัยออกมาเป็นชุดๆ ด, ด้วยกันชุดที่หนึ่งหรือชาติที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งว่าด้วยปัใจจัยในชาติของสหชาติชาติหนึ่งสหชาตชาติ สหาชาติชาปนั้นก็คือเป็นการพูดถึงปัจจัยนะก่อนที่จะใช้คำว่าธรรมะก็ต้องรู้จักสองคำก่อนคือปัจจัยกับปัจจยุบบันปัจจัยเท่ากับธรรมะฝ่ายเหตุปัจจยุบันนี่ธรรมะฝ่ายผล ผลกับเหตุจำเป็นต้องเหมือนกันไหมอ่าผลกับเหตุไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเหมือนก็ได้เออคือมันมีหลายวาระหลายนัยยะด้วยกันเช่นลไก้อีนะแสงสว่างเป็นปัดใ จ, จแก่จกักขูวิญญาณแสงสว่างกับวิญญาณเหมือนกันไหมเหตุผลบางอย่างไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนอย่างเช่น เราเคยได้ยินบอกเหตุกับผลต้องสมควรกันคํานี้เราต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าอาจโดยนัยไหนเช่นถ้าพูดบอกว่ากุศลต้องให้ผลเป็นสุขอกุศลต้องให้ผลเป็นทุกข์อาคํานี้เหตุกับผลสมควรโด ย, น, ยนัยนี้แต่ว่าอกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้ไหมอ่านี้ได้ได้เหตุกับผลสมควรกันไหมดังนั้นเราต้องเอา ไอเหตุกับผลในยะนั้นเนี่ยสมควรแก่กันแต่ไม่สมควรกันในัยาแห่งกุศลให้ผลเป็นสุข ม, นน ม, มันคนละในกันนั่นแหละเมื่อมันคนละัยกันนั้นเหตุกับผลเนี่ยจึงไม่แน่ว่าจะเหมือนกันแต่ลักษณะว่าถ้าเหตุนี้ไม่มีผลนี้เกิดไม่ได้คือคือการพูดถึงปัจจัยกับปัจจัุบันนะในลักษณะว่าเมื่อเหตุนี้ไม่มีผลนี้จะเกิดไม่ได้ ฉันลักษณะที่ผลจะเกิดขึ้นได้โดยพูดปัจจัยโดยกลุ่มๆ ม, มีอยู่เก้าปัจจัยด้วยกันเก้าชาตินะเก้ช า, ช า, าชาติชาติที่หนึ่งคือสหชาตชาติปัจจัยกับปัจจุบันเกิดพร้อมกันขณะเดียวกันอุปปาพัฒณะพร้อมกันเลยแต่พังขขณะไม่จำเป็นขอให้เอาแค่เกิดพร้อมกันอ่ะนะครั้งที่แล้วเรายกถึง อาสหาชาติของพระผู้มีพระภาคใช่ไหมจะ้ชายศิทธทาเกิดเนี่ยพร้อมกับหนึ่งพนางพิมพาสองอุทายอามาตยสามม้าขันธกะสี่ต้นพระีมหาโพธิ์ห้าพานนท์หกม้ากันธกะหรือวันนายชันนา ม, มาตกาลุทายอามาตสุดท้ายขุมทรัพย์ทั้งเจ็ดอย่างนี่เป็นสห ชาติเกิดพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าแต่พระนางพิมพาถ้าพูดสัมนวนไทยๆว่าตายก่อนพระพุทธเจ้าแต่ว่าพูดแบบสันวนยกย่องท่านที่จริงแล้วท่านปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าอยู่ประมาณสองปีกว่าเกือบสามปีเพราะว่าพระนางปรินิพานตอนอายุเจ็ดสิบแปดพระพูทมีพระภาคตอนอายุแปดย่างเข้าแปดสิบเอ็ด น, นั้นต่างกันนะ เกิดพร้อมแต่ไม่จําเป็นว่าต้องดับพร้อมหรือพระอานนท์เนี่ยอายุพร้อมกันกับพระผู้มีพระภาพพระอานนท์นิพพานตอนอายุร้อยยี่สิบปีห่างกันตั้งสี่สิบปีโอ้โหเกิดดับห่างกันมาก <c oughs> แต่ว่าเอาว่าลักษณะของศาตรชาติชาตินั้นเกิดพร้อมกัน <c oughs> เท่านั้นพออะไรบ้างที่เกิดพร้อมกัน <c oughs> อ่าวาระที่หนึ่ง นามเป็นปัจจัยแก่นามนามเราต้องรู้เลยนะถ้าใช้คําว่านามเนี่ยนะจิตกับเจตสิกเท่านั้นรูปนิพานเกิดด้วยปัจจัยไหมเมื่อไม่เกิดด้วยปัจจัยเอาไว้ก่อนไม่ต้องพูดถึงบัญญัติเกิดด้วยปัจจัยไหมบัญญัติก็ไม่ได้เกิดด้วยปัจจัยเพราะฉะนั้นบัญญัติกับนิพานไม่ต้องพูดถึงในลักษณะผลของปัจจัยแต่นิพานกับบัญญัติเป็นปัจจัยได้ แต่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผลของปัจจัยอ่านเมื่อไม่ใช่ผลของปัจจัยนั้นจึงไม่พูดเอาไว้ก่อนนามก็คือจิตเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตเจตสิกในลักษณะที่หนึ่งนะของสหา ช, าชาตชาติทบทวนของเก่าสองนามเป็นปัจจัยแก่รูป ก็คือจิจจจตเจตสิกเป็นปัจจัยแก่รูปเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้นะเราขึ้นวัตถุอันนี้นะวัตถุก็เท่ากับกรรมชรโรจิตชาโรบอุตูชรโรแล้วก็อาหารชรโร วัตถุพวกนี้เนี่ยเป็นวัตถุของจิตที่เกิดขึ้นจิตที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเสมอตามสมควรแก่จิตนั้นๆเช่นโลภาพมูลจิตดวงที่หนึ่งมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่สิบเก้าดวงสิบเก้าดวงคืออัญญาสมนาเจตสิกสิบสาม โลภะกับทิฏฐิโมจตุกะสี่เท่านั้นใช่ไหมครบสิบเก้าดวงพอดีเลยมีอะไรบ้างก็ไม่วน้นะเอาใหม่นะนะหนึ่งก็คือสิบสามสิบสามเท่ากับเจ็ดบวกหกแล้วก็สี่ก็คือโมจตุกะ 4แล้วก็2ก็คือโลภะกับทิฏฐิบวกกันแนวโห19ดวงพอดีเลยอ่ะฮะไม่เข้ามันก็ไม่ครบสิ จิตเจพะเศีเหล่านี้มันเป็นปัจจัยแก่ตัวเองข้อหนึ่งนะนามเป็นปัจจัยแก่นามนั้นต้องเป็นลักษณะในดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าลักษณะนี้นะเราต้องอธิบายในลักษณะว่านามขันธ์สี่คือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณถ้าเวทนาเป็นปัจจัย ผลของเวทนาก็คือสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าสัญญาเป็นตัดใจเวทนาสังขารและวิญญาณเป็นผลถ้าสังขารเป็นตัดใจเวทนาสัญญาและวิญญาณเป็นผลถ้าวิญญาณเป็นตัดใจที่เหลือเป็นผลเขาเรียกว่านามขันหนึ่งเป็นตัดใจแก่นามขันสามแล้วก็ต่อไปนะ นามขันสองเป็นปัจจัยแก่นามะขันสอง้าเวทนาสัญญาเป็นปัจจัยสังขารกับวิญญาณเป็นปัจจยยบันถ้าเวทนากับสังขารเป็นปัจจัยสัญญากับวิญญาณเป็นปัจจยยบันถ้าเวทนากับวิญญาณเป็นปัจจัยสัญญากับสังขารเป็นปัจจยยบันฉั้นแม้แต่สองก็ยังมหารายละเอียดในนี้อีกครั้งหนึ่งอลไรมันเหมือนกับการเล่นอะไรนะก็สี่คนอ่ะ ท่นนึงไอ้ที่เหลือขาดไม่ได้ตรงนี้เนี่ยมหาภูรูรุ่ก็จะคล้ายๆกันมากแต่ไปนะนามขันสามเป็นตัดใจแก่นามขันหนึ่ง ม, มันสลับไปด้วยนะมันสลับไปด้วยเพียงในลักษณะนี้ก็ได้แล้วข้อนหนึ่งนามามาทำเป็นตัดใจแก่นามามาทำในดวงเดียวกันโดยสหาชาติปัดสหาชาติชาติอย่าไนี้นะ ่าชาติาติเกิดพร้อมกันถ้าลักษณะนี้เนี่ยเกิดพร้อมกันแล้วดับพร้อมกันด้วยเอถ้าเงื่อนไขที่หนึ่งนะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันพอได้นะตรงนี้ทีนี้ในข้อสองว่านามเป็นปัจจัยแก่รูปซึ่งนามตัวนี้เนี่ยทั้งจิตและเซโรสิกเนี่ยเป็นปัจจัยแก่จิตตะชุเป็นปัจจัยแก่จิตตะชุบเพราะฉะนั้นถ้าโลภาะจิตเกิดขึ้นบด ในจิตตชูดมีอะไรบ้างปฐวีอปโปเตโช ว, วาโยสีเกลนรสเสเกลนรสโอชาเอาแค่นี้ก่อนนะจริงจริงแล้วมันยังมีอย่างอื่นด้วยนะกิตตชูดเกี่ยวกับการพูดเป็นต้นนะพวกเสียง มีเสียงด้วยเอาเสียงด้วยดีวยกว่าเอานะจิตตชชูดเป็นปัทวีได้ไหมขณะที่เอายกตัวอย่างโลภะจิตโลภะจิตนั้นเกิดขึ้นเนี่ยจิตตชชูดเป็นปัทวีเป็นยังไงใช่ไหมถ้าโลภะจิตเกิดขึ้นก็บีบนวดตัวเองอัง่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนะ ก็เป็นจิตตชริญโรคแบบปฐวีจริงก็คือพอจิตตชริโรเกิดขึ้นปั๊บอาโปรธาตก็เกิดได้ทำให้อาโปรธาตเกิดหรือพอจิตลอภาคเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนะความร้อนมันเกิดขึ้นในตัวเลยมีไหมโอ้โหบางคนเนี่ยไปเจอบางคนปั๊บบางคนเจอบางคนร้อนๆ ห, หนาวๆเลยอะ่ะอะรอย่างนงี้ก็เรียกว่า โลภะทําจิตตชโรคแล้วนนอนะโลภะเกิดขึ้นทําให้วายโยเกิดขึ้นเป็นยังไงบางคนเนี่ยโลภะเกิดขึ้นตึบลมมันตีขึ้นทันทีเลยเป็นพวกธาตุลมธาตุอะไรมีปัญหาเลยนะหรือโลภะเกิดขึ้นสีหน้าเปลี่ยนไหมสีนั้นไม่ว่าแต่สีหน้าสีผิวสีผมสีหลายสีอีก เราผ้าเกิดมากๆบางทีอาจจะผมเปลี่ยนสีเลยก็ได้ะย้อมใหม่แต่นั่นอีกไัยหนึ่งนะแต่ที่จริงนะมันเปลี่ยนโดยตัวของมันเองโดยจิตนะไม่ใช่โดยการย้อมเพราะจิตแบบนี้เกิดขึ้นตั้งอาจจะทําให้เกิดกลิ่นออกมาก็ได้ให้มีกลิ่นก็ได้อย่างเช่นสัตว์บางชนิดพอจิตเกิดขึ้นปุ๊บกลิ่นเนี่ยเกิดเลยหรือสัตว์บางชนิดเนี่ยนะอย่างกิ้งก่าเนี่ยนะ เปลี่ยนสีตามที่ที่จิตของเขาเกิดขึ้นนั่นแหละสามารถเปลี่ยนสีได้หรือว่าเปลี่ยนรถก็ได้จิตบางอย่างก็ทําให้รถเปลี่ยนไปหรือจิตบางอย่างก็ทําให้พาโกรธบางอย่างคุิปน้ำพิษที่มีอยู่ในตัวกําเริบเลยนั่นแหละถ้าจิตเกิดขึ้นบางอย่างปั๊บเนี่ยถ้าโทสะบางอย่างเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยสารพิษที่อยู่ในตัวกําเริบเลยใครเคยดูหนังจีนมั้งบอกว่าหนังจีนบางอย่างนะเขาบอกว่าถ้าโดนกําลังภายในที่เป็นพิษไหม เขาบอกว่าอยากโกรธอย่างเดียวถ้าไม่โกรธพิษจะไม่เล่นแต่ถ้าคนนี้โกรธเมื่อไหร่พิษมันแล่นทันทีเพราะอย่าลืมนะว่าไอ้จิตตัวนี้จิตตะชูปมันสัมพันธ์กับสัมพันธ์กับอาหารรูปด้วยสัมพันธ์กับต่ำมารูปด้วยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นแบบนี้ด้วยมันใกล้ๆกันนั่นแหละ ทำงานอย่างสัมพันธ์กันก็คือสตรีระทั้งหมดอหะ ท, ที่ที่มีความสัมพันธ์กันทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นในฐานะตัวนี้เนี่ยเด่นถ้าเรามายกแต่จิดแต่ชี้ลูกโดยที่ไม่ยกกรรมันชี้ลูกได้ไหมจะยกมือขึ้นได้ไหมยกมือโดยที่ไม่ยกกรมัชีู้กด้วยได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นในนี้มันจึงมีพร้อมกันทั้งหมดนั่นแหละมันสัมพันธ์กันแต่ว่ายกตัวนี้เด่นขึ้นมาพอตัวนี้เด่นปุ๊บมันสัมพันธ์กับ รูปอื่นอื่นนั้นโลภะจิตเมื่อเกิดขึ้นนั้นจึงเป็นปัจจัยแก่รูปนี้ยกโลภะนะจิตที่ไม่เป็นสหาชาตปัจจัยแก่รูปเลยมีอยู่ทวิปัญจาวิญญาณจิตติดอรูปวิบากสี่อตีจิตของพารหันเท่านั้นที่ไม่ทำไม่ทำจิตต ร, รูปในลักษณะของสหาชาตปัจจัย จี่ที่เหลือเป็นหมาเลยอ่นานยะตรงนี้ก็คิดว่าคงผ่านสามทบทวนนะวรรคที่สามนามเป็นปัจจัยแก่นามกับรูปก็คือจิเจตสิกเป็นปจัจจัยแก่จิตเจตสิก เละรูปลักษณะนี้นะต่อไปอีกอข้อนี้ก็คือสมมไม่ว่ายกกิจเป็นปัจจัยเกจิสิกก็เป็นผลเละรูปก็เป็นผลลักษณะนี้นะต่อไปอข้อสี่รูปเป็นปัจจัยแก่รูปรูปเป็นปัจจัยแก่รูปนั้นคือในรูปหนึ่งหนึ่งเนี่ย ต้องมีรูปที่เป็นพื้นฐานของทุกรูปเลยคือมหาภูตะรูปมหาภูตะรูปนั้นถือว่าเป็นรูปที่อะไม่แยกจากกันเสมายว่าปัทวีอาโปวายโยแล้วก็เตโชในนี้จะแยกกันไม่ออกเลย เมื่อแยกกันไม่ออกเพราะนี้มหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองนีแล้วมหาภูตรูปยังเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปรูปที่อาศัยอยู่ในนี้มหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปและอุปาทายรูป ลักษณะนี้เรียกว่ารูปเป็นปัจจัยแก่รูปโดยในกราบเดียวกันในโดยสหา ช, าชาติชาติโอ้อนี้อะหมูหมอะเนะตอไปนะข้อห้าข้อห้าก็คือ ร, ปปจจรูปเป็นปัจจัยแก่นม้มรูปเป็นปัจจัยแก่น้ม รูปในที่นี้ที่เป็นปัจจัยแก่นามในสหาชาติชาตินั้นต้องเป็นหัตยรูปในปฏิสนธิการอ่อปาปปตัวนี้เป็นตัวยว่อว่าปฏิสนธิหัตยวัตถุในเรกเกิดสมัยนั้นอ่ะนะเมื่อหลายสิบปีที่แล้วอ่ะมีไอปนนปป้ปฏิสนธิหัตยานี่ยเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิต บวกเจตสิกปฏิสนธิหัตยาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตก็เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิหัตยะด้วยแต่ยกในฐานะปฏิสนธิหัยะเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิ จ, จิตอย่างนี้เรียกว่าสหชาตะชาติหรือสหาชาติปัจจัยเพราะถือว่าเกิดพร้อมกันแต่ต่างคนต่างอาศัยซึ่งกันและกันลักษณะนี้เรียกว่า อัญญะมัญญ ะ, ะปะจัจจัยอ่าลองเพราะในชั้นของรายละเอียดนั้นเราจะได้ศึกษากันต่อไปในภาคสองจิตเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยได้วัตถุเลยใช่ไหมวัตถุเป็นปจัจจัยแก่จิตแบบนี้แนละ้อ่าเมื่อวัตถุเป็นปจัจจัยแก่จิตแบบนี้เนี่ยจิตอันนี้เกิด ข, ขึ้นขาดอะไรไม่ได้อารมณ์ เพราะฉะนั้นชาติที่สองของปัจจัยก็คืออารามณชาติอารามณชาติเพราะว่าถ้าจิตเกิดขึ้นทำจิตตชรูปอย่างที่ว่าเนี่ยนะทำไมจิตตชรูปที่ทำออกไปเป็นต้นเนี่ยไม่เท่ากันน้ำหนักของความคิดทำไมไม่เท่ากันเพราะอะไรเป็นต้นนั้นพระองค์จึงสแสดงอารมามณปัจจัยต่อไป อารมณปัจจัยก็คือรูปเป็นอารมณ์ของจิตเรียกว่ารูปารมณงคําว่าอารมณ์แปลว่าเป็นที่มายินดีของจิตหรือว่าจิตเข้าไปยินดีในสิ่งใดเข้าไปไอ้คําว่ายินดีก็คือเข้าไปรู้นั่นเองเข้าไปรู้เข้าไปไประชุมเข้าไปรู้ในสิ่งใดสิ่งนั้นชื่อว่าอารมณ์อารมณ์ทั้งหมดมีอยู่หกอย่างด้วยกันหนึ่งรูปารมณ์ สองสัทธารมสามคันธารมสี่ระสารมก็คือรสห้าพภารมหกธรรมารมธรรมารมนั้นแยกออกมาเป็นรูปที่เหลือ อย่างนี้นะรูปที่เหลือจากห้าอย่างข้างต้นนั่นแหละเป็นธรรมรมต่อไปอีกจิตก็เป็นธรรมรมเจตสิกก็เป็นธรรมรมนิพพานก็เป็นธรรมรมบัญญัติก็เป็นธรรมรมนะ เกิดว่าพร้อมกันเลยได้ไหมจิตเนี่ยจะรู้อารมณ์ทั้งหกเหล่านี้พร้อมกันเลยไม่ได้จริงๆนะคนที่เข้าใจอารมณ์นาสังขหะคนนั้นแหละเข้าใจอารมณ์น่ปัจจัยอย่างดีอารมณ์นาสังขารมีอยู่ไปเฉดไหนไปเฉดสามไปเฉดสามไปเฉดสามนั้นประกอบไปด้วยหนึ่งเหตุสองจิตสาม วัตถวาณีวัตถุห้าอารมณ์เขาไปยังเหตุกิจวัตถุทวานอารมณ์อะไรั้นถ้าเข้าใจประเฉดสามดีอารมณะปัจจัยไม่ใช่ของยากนั่นแหละไม่ยากเลยอะไรรูปารมณ์นั้นในความเป็นอารมณ์ของเขาเนี่ย ในอารมณ์หกเหล่านี้เนะเป็นได้ทั้งสามการนะตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสโภพพะธรรมรมบางอย่างเป็นได้สามการคือทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนะ เป็นได้สามการเลยเนปพานบรรยัติไม่มีการเนปพานกับบรรยัตินั้นไม่มีการเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้ที่มันมีการนะรูปเสียงกลิ่นรสโภภพธะธรรมรมทำไมจึงมีการ เพราะมีการเกิดมีการดับที่สืบเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นคาว่าการในที่นี้ในอภิธรรมนัในมุ่งเอาการที่เป็นอุปาทถีติและพังคะอนนคือคือตอนที่จะเข้าใจอดีตอนาคตดีก็ต้องเข้าใจในเรื่องของความเป็นปัจจุบันปัจจุบันมีอยู่หลายอย่างด้วยกันอ่าปัจจุบันโดยปัจจุบันนอัฏฐา อันนี้ว่าเป็นภพชาติเลยสองปัจจุบันนะสมัยก็คือเช่นเช้าสายบ่ายค่ำพวงนี้เรียกว่าปัจจุบันนัสมัยหรือว่าปัจจุบันนะสัน ต, ติปัจจุบันนัสัน ต, ติเช่นจิตตชรูปหนึ่งชนิดด้วยกันนี้เรียกว่าโดยสัน ต, ติกับปัจจุบันนะขณะปัจจุบันนัขณะนั้นประกอบไปด้วยโอ ป, ปาทะ ถีติและพังคะมีองค์ประกอบอยู่สามอย่างด้วยกันคืออุปาทาถีติและพังคะรูปใดที่กําลังอยู่ในอุปาทิถีติพังคะสีใดที่กําลังอยู่ในขณะสามอย่างนี้รูปนั้นเป็นปัจจุบันผ่านจากนั้นเอ่อก่อนหน้านั้นเป็นอดีตหลังจากนั้นมาเป็น อนาคตเห็นไหมหม่ถ้าเราขีดอย่างนี้นะียเนี่ยเรียกว่าช่วงนี้เป็นอุปาทะช่วงกลางเป็นถีติช่วงปลายเป็นทังคะทีนี้อีขณะที่สามอย่างอย่างนี้เรียกว่าปัจจุบันถอยหลังไปเนี่ยแม้กระทั่งเท่าไหร่ก็ตามชื่อว่าเป็นอดีต ที่จะมาถึงข้างหน้าต่อไปอีกจะยาวนานขนาดไหนก็ตามเป็นอนาคตนี่เรียกว่าปัจจุบันนะปัจจุบั น, นขณะนาะตรงนี้นี่มุง่งเอาปัจจุบั น, นขณะโดยอทิธรรมาในนะยังไม่ได้มุ่งแสดงโดยวิปัสสนาอ่านะอนแห่งการแสดงโดยวิปัสสนานั้นอนะความรู้อันนี้ต้องมีด้วยและมีความรู้ในเรื่องของสัน ต, ติเข้ามาด้วยความรู้ในเรื่องของอัตตาเข้ามาด้วยอ่มันมันสคัญหลายอย่าง สัมพันธ์กับอีกหลายเรื่องด้วยกันซึ่งตรงนี้เอาไว้ก่อนยังไม่กล่าวถึงโดยในยะางที่ว่าจะกล่าวถึงเฉพาะที่ว่าถ้ารูปารม์ใดที่ยังอยู่ในอุปาทิถีติพังคะรูปารมนั้นชื่อว่าเป็นปัจจุบันถอยหลังจากนั้นไปเป็นอดีตที่ยังไม่มาถึงเป็นอนาคตนัต่นแหละเสียงก็เหมือนกัน ้า ก, กํำลังตรกดังที่แรกเลยนั้นเป็นปัจจุบันคำก่อนนั้นนั้นเป็นอดีตคำหลังๆจากนั้นไปเป็นอนาคตเปลี่ยนรถโธพธะก็เหมือนกันทีนี้ธรรมรมไหมเลยที่ธรรมรมเลยดีกว่านะสิบเจ็ดขณะเป็นสำคัญไม่เหมือนกับสุตันตนาในสุตันตนาในนั้นเอาหมดเลย เอาทั้งโดยอัฏฐาโดยสมัยโดยสันตติแต่โดยขณะบางทีไม่ค่อยพูดถึงพูดน้อยมากโดยขณะนะทัสุ์ ต, ตันต์ใ น, นเพราะว่าในชั้นของการปฏิบัติจริงๆแล้วพระองค์จะแสดงในยะแห่งเรื่องของสันตติเรื่องของอัทฐาเป็นเป็นใหญ่นั่นแหละเรื่องของพบเรื่องของชาเรื่องเช่นความเกิดอย่างเงี้ยก็เหมะเกิดแก่เจ็บตายเอาแบบขณะโตๆใหญ่ๆไปเลยนั่นแหละ ว่าจะเข้าใจเรื่องอารามณชาติดีนะเราต้องเข้าใจเรื่อง อ, อนันตระชาติด้วยทีจริงนะถ้าจะเข้าใจอารามณชาติดีต้องเข้าใจอนันตระชาติด้วยเพราะว่าจิตไม่ได้เกิดแค่ดวงเดียวมันเกิดทิ้งเป็นชุดๆเป็นหลายๆดวงเป็นหลายๆวิถีซึ่งหลายดวงหลายวิถีหลายชุดนั้นะจะมีการแสดงนิย่าแห่งอนันตระชาติ แต่ว่าการแสดงในลักษณะนี้ก็คือพูดถึงว่าจิตเนี่ยที่มันมีอิทธิพลต่อตัวมันเองและมีอิทธิพลต่อรูปโดยความเป็นปัจจัยแก่รูปอะไรที่สหาชาตชาตินั้นน่ะเพราะอะไรเพราะมันมีอารมณ์แั้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่มีความสังเกตนะเราจะรู้ว่าในช่วงขณะหนึ่งหนึ่งที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยมันมีอารมณ์ตั้งร้าอย่างให้เรารู้ให้เราคิด ถ้าเรากําลังคิดถึงอะไรบางอย่างที่เราไม่ค่อยชัดเจนคิดไม่ค่อยออกขนาะนั้นเราจะกระพริบตาบ่อยที่สุดกําลังใช้ความคิดบางอย่างซึ่งบางทียังไม่ค่อยลงตัวบางทีเนี่ยมันจะกระพริบตาเหมือนกันนะเพื่อจะคิดเรื่องนั้นอ่ะนะบางคนเนี่กําลังคิดบางอย่างนะโอ้โหคิ้วเนี่ยมันจะชนกันให้ได้เลยนะกิ้วขมวดเลยหน้านิ่วคิ้วขมวดเลยน ะ, ะมันมีความสําคัญมาก ถ้าหากว่าเข้าใจอารมณ์นั้นอย่างแกมแจ้งนะรูปนี้ก็ดีไปด้วยมันแล้วแต่อารมณ์งนั้นอย่างเช่นรูปารมณ์ที่เราเห็นเฉพาะหน้าก็ตามนึกถึงภาพรูปารมณ์ในอดีตก็ตามนึกถึงรูปารมณ์ที่จะมีนานในอนาคตก็ตามในรูปารมณ์นั้นนั้นเนี่ยมีอิทธิพลต่อจิตของเราอย่างมากเลยอ่ แม้แต่โลภะจิตเหมือนกันถ้านึกถึงรูปารมณันนั้นในอดีตบางคนเนี่ยนะนึกถึงไอเรื่องอดีตนั่นแหละโหยิ้มไออารมณ์ชนิดเดียวกันนั่นแหละนึกถึงโดยความเป็นปัจจุบันเนี่ยมยิ้มไม่ออกเลยใช่ไหมถ้ายิ่งอน า, าคต ด, ด้วยมองเป็นภาระใหญ่โตเลยก็สภาพจิตก็เปลี่ยนไปตามนั้นด้วยนั้นอารมณ์นั้นมีอิทธิพลมาก กุศลเกิดหรือไม่เกิดในบางทีอยู่ที่อารมณ์นะอารมณ์บางอย่างไม่เกื้อกูลต่อการเจริญกุศลเลยคือคือไม่เป็นอุปนิาสัยใกล้ต่อกุศลเลยอย่างนี้นะถ้ากําลังพลังเพลงที่เรากาลังชอบชอบเนี่ยถามว่ากุศ ล, ลจิตเกิดง่ายไหมไม่ง่ายเลยเนาะยากหรือว่ากําลังอารมณ์นั้นที่เราไม่ชอบเอาอย่างแรงเลยนะกุศลจิตเกิดง่ายไหมไม่ง่ายเหมือนกันนะ เอางงนะง่ายๆรถเราเกิดไปชนมาโอ้โหจะต้องซ่อมอีกหลายหมื่นถ้ใครมาขอสตางค์ข้างๆเนี่ยจะให้ง่ายๆมหมยิ้มให้โอ้มีความสุขเหลือเกินจะได้ให้ทานอย่างเงี้ยง่ายไหมไม่ง่ายเลยนะเพราะแล้วแต่อารมณ์นะถ้าอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยวานเกลียบเลยเนี่ยโอ้หชอบนะอย่างอื่นๆเนี่ยมันก็ง่ายไปอีกดงนั้นอารมณ์เนี่ยถือว่ามีความสําคัญอันดับสองในชีวิตอันดับแรกก็คือเรื่องความเป็นเรื่องของเรียกว่าโดยชาตินะสหาชาติชาติ เรื่องของปัญญาเป็นต้นเนี่ยมีความสำคัญมากต่อชีวิตอันดนับที่สองก็คือเรื่องของอารมณ์ังั้นคนที่สามารถจัดสารอารมณ์ให้ตัวเองคิดได้คนนั้นแหละเป็นผู้ที่อบรมเจริญนิพพานหรือเจริญสมัมมาทที่จริงแล้วสัมมาทก็คือการคิดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้มันนานเช่นคิดในแง่ของเมตตาให้มันนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ถ้ามีเมตตานานจนจิตเป็นมหาคตาพวกนั้นทำให้จิตเป็นฌานได้นะก็คือเจริญอารมณ์อ่ะแต่โดยเอาการเอากุศลจิตไปใส่ใจในอารมณ์นั้นบ่อยๆมากๆเขาเรียกว่าสัมมะนิมิตนิมิตของสัมมัทจิตขนาดนั้นจะสงบเลยอ่นหก็คล้ายกับมีพ่อแม่มีลูกอยู่สองคนลูกคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะ พอเนี่ยนึกถึงลูกคนนี้เมื่อไหร่สบายใจยิ้มแป้เลยว่าเจอคนหนึ่งกําลังขึ้นขนลงลงขึ้นลงขึ้นซานอย่างเงี้ยนะนึกถึงอะไรก็ยิ้มไม่ได้ออกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตว่าอารมณ์มีที่ผลต่อความคิดเราขนาดไหนมันแล้วแต่เราจะคิดนะ่ะที่จริงเนี่ยอารมณ์เนี่ยนะเราอยากรู้ก็ได้ไม่อยากรู้ก็ได้แล้วแต่จิตของเราเนี่ยจิตเราจะน้อมนึกไปสภาพจิตเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นถามว่าเราเลือกคิดได้ไหม ถ้าเรามีความเข้าใจนะหรือมีการอบรมความคิดมาคนนั้นจะเลือกคิดได้นั่นแหะอย่างอย่งที่เขาเล่าให้ฟังว่ามีฝรั่งท่านหนึ่งเข้าไปทําฟันเขาเข้าไปในร้านหมอฟันเลยนะฟันเขาเขาสูงอายุแล้วหกเจ็ดสิบแล้วนี้เขาเข้าไปในร้านฟันเนี่ยยกแผงถอนยกแผงทีนี้ทํายังไงอะ่ะถอนฟันมันจะได้ไม่เจ็บอะ่ะทีนี้ก็บอกว่าแกเนี่ยเป็นเป็นฝรั่งที่ทํา อ่าทํารายการวิทยุรายการหนึ่งแกก็ไม่สนใจเรื่าหมอฟันเนี่ยทําฟันยังไงแต่คิดถึงเรื่องรายการที่แกจัดรายการวิทยุอยู่อย่างเดียวเลือมขึ้นมาอีกทีหมอเมื่อไหร่จะถอนฟันผมเอา้าไม่เห็นเล้วเนี่ยสมชิ้นไปแล้วเอาเหรอสามสี่ไปแล้วแล้วเหลือ อ, อีกสองสามชิแกก็คิดเรื่องของแกต่อไปอีกหมอถอนเสร็จเมื่อไหร่กันไม่รู้เลยคนที่สามารถแยกอารมณ์ได้นั้นจะไม่มีทุกขากายญวิ ญ, ญญาณตรงนั้นเลยเพราะเขาไม่ได้คิดอยู่ตรงนั้นอ่ะ เช่อทอนคิดได้เนี่ยคนนั้นก็คือการฝึกใช่ไหมทางโลกโลกนะใครที่สามารถแยกความคิดเลือกคิดได้คนนั้นเรียกว่ามหาบุรุษเป็นประโยคน์ามคันเป็นประโยชน์ขามมากฉะนั้นมีคนหนึ่งนะที่มีความสามารถในการแยกความคิดเลยที่สุดก็คือถ้าตามตามตำนานเขาเรียกว่านโปเลียนโนปาปาอะโปนาปาอะ่ะโบน่ะเรียกเชื่อไม่ค่อยจะถูกเลย เขาเป็นคนที่แยกความคิดได้เขาอยากคิดเรื่องอะไรเขาจะเอาเรื่องนั้นมาคิดอย่างเดียวโดยที่ไม่ไม่หน่วงไปรับรู้อารมณ์อื่นเข้ามาที่จริงอารมณ์อื่นจะเข้ามาเพราะเราวิตกถึงถ้าเราไม่วิตกถึงอารมณ์อื่นๆนะวิตกอยู่แต่กับอารมณ์เดียวทำได้มากๆทำได้ระยะหนึ่งอะจิตเราก็จะเป็นสมาธิไปเรื่อยๆเขาเขาสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของเขาได้พอทะะ่านพระองค์จึงกล่าวว่าถ้าจิต ปักเป็นไปในปักฝ่ายแห่งอุทจักจะเข้าสมาถานิมิตเลยเมื่ถ้าเจริญวิปัสนาไประยะหนึ่งแล้วนะเอ๊ะเนี่ยชักกุศลไม่ค่อยเกิดแล้วเนี่ยอุทธจักชักเข้ามาแล้วเข้าสมาธิปั๊บใส่ใจในสมาธิไปเรื่อยๆอยู่ในอารมณ์เดียวนะนะั่นแหะให้มันประณฐ์ไประยะหนึ่งแล้วออกมาตรึกอารมณ์ใหม่ๆต่อว่าสมถะวิปัสนานี่ย ไ, ไม่ใช่อารมณ์เดียวอารมณ์ที่หลากหลายมากมีการประมวลแล้วไม่ใช่อารมณ์ชาตินี้ชาติเดียวด้วย วิปัสนาไม่ได้พิจารณาชาตินี้ชาติเดียวเชียวไหมวิปัสนาไม่ได้เจริญวิปัสนาอารมณ์ชาติเดียวถามว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นอารมณ์ของวิปัสนาใช่ไหมอวิชชากับสังขารนี่โดยการเป็นอดีตชาติชรามารณะโสกอาเป็นต้นโดยการเป็นอนาคตการใช่ไหมโดยการเป็นอนาคตการ เพราะฉะนั้นเนี่ยในสัมมาสัญญาท่านจึงบอกว่าปัญญาที่พิจารณายอ่ออดีตอนาคตปัจจุบันแล้วพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นเป็นสัมมาสนญญ า, าไม่ใช่ชาติเดียวด้วยเหรอไม่ใช่ชาติเดียวหลายๆชาติรวมกันมันถ้าเบื่อชาตินี้มันก็อยากไปอยู่แค่ชาติหน้าใช่ไหมเอางี้นะโหชาตินี้ไม่น่าอยู่เลยอะมนุษย์เนี่ยเฮงซวยที่สุดเลยเดี๋ยวก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ผูพังแล้วเกิดเป็นเทวดาดีกว่า มันก็ไปยินดีในเทวดาอีกนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าพิจารณาแม้แต่เทวดาเหล่าใดาเหล่าหนึ่งถึงจะมีอายุแปดหมืนสี่พันกับก็อยู่ด้วยจิตดวงเดียวถึงแปดหมืนสี่พันกับก็หาความจีรัง ย, ยั่งยืนอะไรไม่ได้เป็นไปด้วยอำนาจ ก, กำลังของชานทำให้อยู่ในภพนั้นได้ชานเส่อมก็มาเพื่อภพนี้อีกต่อไปมันสามารถพิจารณาประมวลเอาเหตุการณ์ทั้งหมดตราบท ถ, ถึงวัฏทุทกในอดีต ปลารบถึงว่าตากสองสารในยาวไกลต่อไปอีกแล้วปรารบชีวิตนี้ทั้งชีวิตประมวลออกมาเหมือนกับถูกไปไหมในคัมภีร์ท่านเจนกล่าวว่าพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตาวาสเก้าเหมือนกับถูกเพลิงไหมไม่มีสังขารไรๆหน้าอภิรม์แม่แต่อย่างเดียวไม่มีรูปนามขันห้าใดๆหน้ายินดีสักอย่างเดียวไม่มีั้น ปัญญาที่พิจารณาอย่างนี้เป็นอาทีนวญาณแต่นิพพานธรรมชาติที่สงบระงับจากสังขารเหล่านี้เป็นนิพพาน <c oughs> นั่นแหละในในคัมภีร์ท่านกล่าวไว้อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยมันมีอารมณ์ที่ยกอย่างเรื่องของเหตุเรื่องของผลเรื่องของปัจจัยเนี่ยไม่ใช่อารมณ์เดียวใช่ไหมสมมติถ้าพิจารณาโลภะจิตโดยปัจจัยเนี่ย ถ้ามีโลภ้าจิตก็คือมีอารมณ์เดียวแต่วัตถุของจิตอ่ะนะเปรียบไปีกไปอีกอารมณ์หนึ่งแล้วใช่ไหมหรือว่าจิตนี้มีอะไรเป็นอารมณ์นั่นแหะก็เลื่อนไปแล้วจิตดวงนี้มีอะไรเป็นอุปนิสัยเจตสิกในโลภ้ามูลจิตเนี่ยเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปอีกข้างหน้าบ้างเพราะมันสามารถวิเคราะห์ตั้งหลายอารมณ์มาก